หกสิบเจ็ดเซสเด็กเซสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองโอเซิบายพรนมอยดูแว่นตาและโอคูลวิทยเขาลืมแว่นตาของเขา ลีฟอร์เกสิสเซ i ยนโอคเขาเอาแว่นตาของเขาวไว้ที่ไหนคดนโลิออาฬิกา ล, ลนาฬิกาของเขาเสียลีย อ, ลอาลิกนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง นาฬิังหนังสือเดินทาง <passport> เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย si แล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนเขาางพวกเขา ของพวกเขาอลี่อิลี่อะเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบและอินฟานอยในพวัสดรวิเศยนเกปาตรยแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วเเนเวนัสอลัยเกปารยคุณของคุณ <Via. S 2> การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์คือเอสต a สรรพันรายาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเลอร์คือ a อสต a สบิ i าเคุณของคุณวีวิอ การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ